ขอความเจริญในธรรมทุกท่านทุกฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานกำลังนำเสนอคำกราบทูลของท่านสัมปดีพรมต่อพระพุทธเจ้ามาถึงตอนที่ว่าเปรียบเหมือนบุรุษมีจักสุยืนอยู่บนยอดภูเขาซึ่งลวนแล้วแต่ศิลาพึ่งเห็นหมู่ชุมชนได้โดยรอบชันใด ก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีปัญญารอบครอบซึ่งเป็นคํากล่าวส่งเสริมพระพุทธเจ้าที่เราพบอยู่ในที่ต่างๆเป็นมากและปราศ จ, จากความสุขพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความสุขในขณะที่ชาวโลกเนี่ยเขาก็ลังมีความสุขเพราะความโศกเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลส ความโศกเป็นอาการของความทุกข์ที่มันจอนเข้ามาโดยการที่จิตไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยหน้าของความรักแล้วสิ่งเหล่านั้นพลัดพรากไปหรือเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความโศกหรือบางครั้งบางคราวปรารถนาจะให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ตามที่ปรารถนาก็จะอาจจะเกิดความโศกขึ้นมาคือผิดหวังก็อาจจะเกิดความโศกได้ หรือว่าต้องการมีต้องการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เกิดความสศกได้แต่ทั้งหมดมันเป็นอาการของกิเลสไม่ใช่เป็นอาการของความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากจิตที่มีกิเลสก็รับสางให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสาเร็จด้วยธรรมคือธรรมานั้นเปรียบประดุจ ป, ปราสาทคือเป็นที่อยู่ที่อาศัย เป็นเรือนใจนะครัปราสาทนั้นเป็นที่อยู่ของเรือนกายแล้วก็มีความปลอดภัยปลอดอันตรายถ้าขึ้นอยู่ประสาทเนี่ยเพราะงั้นคนที่มีเข้าสู่ปราสาทคือคือธรรมะเขเรียกว่า ม, มีธรรมะเป็นเรือนใจหรือเป็นหลักใจมันก็จะมีความสุขปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตราย สามาทุกข้อที่ผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติครับในขณะของการศึกษานั้นก็มาความมาคล้ายๆก็ศึกษาทางที่จะขึ้นสู่ประสาทแต่ว่าตอนปฏิบัติเนี่ยจากก้าวสู่ประสาทขึ้นไปโดยลําดับเพราะแต่เรามองอย่าบโครงสร้างตรงนี้เราจะเห็นว่าอย่างสิกขาบททั้งหลายคือสีนทั้งหลายที่เราเรียกว่าสิกขาบทเนี่ยสิกขาบทก็คือก้าวของการศึกษา เป็นการพัฒนาจิตสํานึกของมนุษย์ให้มีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไปโดยลําดับถ้าเราเรียงจากศินศินห้าเราเะเห็นว่าเคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันได้ถือบันไดขั้นแรกนะเกิดถ้าทําลายชีวิตกันแล้วก็จบเลยเลิกพูดเรื่องอื่นประการต่อไปคือเคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันเพราะว่า ชีวิตอยู่โดยไม่มีทรัพย์เนี่ยมันเดีอยรไม่ได้ทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราันก็ต้องมีชีวิตแล้วก็มีทรัพย์สามารถจะดำรงอยู่ได้ทั้งสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทีนี้ต่อไปก็คือในแง่ของสังคมว่าสังคมนั้นเป็นสัตว์โลกที่จะต้องมีการสืบสารสกุลบงมันก็ต้องมีครอบครัว เนันก็เคารพสิทธิในคู่ครองของการอะรกันไม่ร่วงละเมิดกันเราก็มีคู่ครองก็ก็มีคู่ครองดังคนดัง เ, าเคารพสิทธิของการอะไกันต่อไปนั้นเป็นเรื่องการสื่อสารติดต่อประสานงานการระวังเรากับคนอื่นเราก็เคารพสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขาถ้าเราจะสื่อสารกับเขาเรพูดกันตามสัตว์ตาจริงถ้าไม่สื่อสารก็แล้วไป ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะฮะแต่ถ้าพูดต้องพูดจริงทีนี้บางครั้งความจริงบางอย่างมันไม่เกิดประโยชน์หรือจะเกิดโทษขึ้นมาเราก็ไม่พูดได้นะปากของเราการที่ตั้งกล่าวไว้เป็นคําคมว่าก่อนจะพูดนั้นเราเป็นนายของคําพูดคือจะพูดหรือไม่พูดก็ได้มันเรื่องของเราแต่พอพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเราซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรับมัดระวัง คิดได้ดีซะก่อนจึงจะพูดอะไรออกไปคือไม่ต้องเสียใจในการภายหลังนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ข้อสุราเนี่ยว่ากันตามความจริงมันเป็นมันเป็นอบายยมุก ค, คือเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่มันเป็นปัญหาสังคมมากนะสิ่งเสพติดเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเลย วันในชั้นศีลเนี่ยท่านเอามาวางไว้ที่ศีลแต่ไม่ได้อยู่ทุกหมวดนะฮะคือถ้าศีลแล้วก็อยู่แต่ถ้าธรรมะจะไม่อยู่เพราะธรรมะก็จะไปอยู่ที่อบายยมุกซึ่งถ้าเราดูแล้วมันน่าจะอยู่ที่กุศลกบดสิบด้วยนะฮะอยู่ที่อกุศลกบฏสิบก็ปรากฏมาอยู่ไม่มีสุราอยู่ในที่นั้นเพราะสุราเป็นอาการของโลภโมหะ เริ่มต้นก็ไม่ได้ประทุสร้าใครนะฮะเดืดื่มแล้วก็เมาแล้วก็มีปัญหาด้วยตัวเองนอกจากไปก่อการทะเลาะวิวาทขึ้นนะอาจจะมีสุราเป็นเหตุอยู่บ้างแต่ว่าการทะเลาะวิวาทมันเกิดจากโถสะหรือเกิดจากโลภะคออือยื้ยแย่งอะไรกันนะหรือว่าจะเกิดจากโถสะมันนไสยกันขมิดกันอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีความประนี้ขึ้นไปเรื่อย อย่างสิ่ข้อสมมติศ่าสิบุษฎ์เนี่ยสิ่ข้อวิกาคืองดหดงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือหลังจากเที่ยงแล้วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปการะคือเราเวลาสมาทานศิ่งแปดเนี่ยหรือศิ่งแปดหรือสิ่งบุษเนี่ยสิ่ข้อที่สามเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอพรรมเกือพ ร, รกะกกาเมรมันต่างกันอพรรมเนี่ยคือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ แต่ปัญหาว่าอภรรยของใครนะถ้าอรรยของสามเณรของสามเณรีเขานางสิกข า, านาเนี่ยตัว น, นี้ถ้าขืนแล้วเมิดแล้วก็ขาดเลยและจับต้องร่างกายกันก็ไม่ได้นะจับต้องร่างกายเพศตรงนั้นข้ามก็ไม่ได้แต่ถ้าอภรรยของชาวบ้านเขาเรียกอาคารลยพินยัยวิดัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนเนี่ยก็สามารถจะบต้องจับเนื้อต้องตัวกันได้ลูกหลานครอบครัวคนอยู่ชาวบ้านนะฮะอยู่ภายในครอบครัวมีลูก ม, ลมีหลานไม่ได้แต่ไหนก็จับต้องได้ ก็ห้ามเฉพาะมีเพศสัมผัสตอนข้อสุราไอข้อข้อวิกาเนี่ยจึงกลายเป็นอุปการะคุณต่อศีลข้อที่สามเพราะถ้าเราสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วก็ไปบำรุงร่างกายจนญาณมากเกินไปมันก็ไปกระตุ้นความต้องการในทางเพศอาจจะมีปัญหาไปละเมิดศีลได้ข้อนัตจีคีข้อมาลาก็มีลักษณะอย่า ง, งนั้ ก็เห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันกระตุ้นการมราคะส่วนใหญ่นะฮะคือคือพวกเครียดบันเทิงคดีเนี่ยมันจะกระตุ้นการมราคะพวกเพลงพวกการละเล่นทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกระตุ้นการมราคะกระตุน้นโลกเรียกเรียกหรือชิงรักหักสวัสดิ์ อ, อะไรในส่วนส่วนใหญ่มันก็วนๆอย่างเงี้ยซ้ำๆๆเป็นพฤติกรรมธรรมดาของมนุษย์ วันถ้าเราตัดกระแสไม่ดูไม่ฟ้อนรำํำขับร้องประโคมดนตรีดิสซี่ตีเป่าฤดูการเล่นต่างๆนะคือถ้าทําเองเนี่ยใจมันก็เหนี่ยมนึกนะก็มีจินตนาการปรุงคิดคิดปรุงก็เกิดการราคะขึ้นมาได้หรือดูการแสดงคนอื่นก็กระตุ้นได้ก็ตัดเฉลยคือไม่ดูประดับประดาร่างกายโดยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่งองย้องเมืองทางต่างๆก็มีลักษณะยอย่างนั้นนอนบนที่นอนสูง ที่นอนใหญ่ก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลักษณะปราศาสตรคือศีลมันก็เป็นปราศาสตรธรรมะมันก็เป็นปราสาทตร์ข้อนี้ลองดูตัวอย่างพรหมวิหารสีซึ่งเราคุ้นๆกันนะพรหมมิหานสีมันเป็นพัฒนาการทางจิตที่ต่อไปจากศีลข้อที่หนึ่งพศีลข้อที่หนึ่งนั้นเขาบอกว่าเวลาทรงแสดงนะทรงแสดงในรูปธรรมะ ว่าคนดีในโลกนี้งดเว้นจากปานาติบาตไม่พกพาศรัทธาวุตรเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าตอนปลายเนี่ยจะเป็นธรรมะแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นวินไนคือเป็นศีลเป็นบทบัญญัติแล้วก็จะมีความประณีตคือสร้างอัธยาศัยให้ประณีตมากยิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นเมตตา เมตตามันก็ก้าวข้ามอะไรละ่ะพยาบาทกำข้ามความโกรธออกไปนะแล้วก็มีพวกปัจจัยเสริมพวกความอดทนพวกอะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมทีนี้ถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเมตตามันก็แผ่ไปได้กระจายออกไปก็แผ่ไปรอบทิศมันก็ก้าวไปนะในวงกว้างแต่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปทําสูง จนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เราเมตตาเนี่ยประสบปัญหาเราเกิดกรุณาเลยทีนี้กรุณาเนี่ยมันไม่ใช่ทาได้ง่ายคือพูดไม่ง่ายนะแต่ทีจริงกรุณาจะทําได้ยากมากถ้าใจเราไม่มีเมตตาจริงๆเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะตามปกติจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยมันชอบซ้ําเติมนะฮะชอบเบียดเบียนชอบเบียดเบียน บ, บุคคลอื่นเห็นเห็นใครล้มเห็นใครอะไรต่อะไรแล้วก็ชอบซ้ําเติมนะฮะ ชอบดูเห็นความพิบัติของบุคคลอื่นเราดูข่าวอะไรเรื่องลืมแจ้งทรัพย์สินของหัวหน้าพักคการเมืองต่างๆเนี่ยดูติงหนังสือพิมพ์โรทรทัศน์เล่นกันคือไม่เห็นได้เรื่องอะไรขึ้นมารู้ก็ทำอะไรมันได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าคนก็อยากดูแล้วก็ลุ้นๆกันในทางที่อยากให้ให้คิด โดยไม่นึกว่ามันจะสูญเสียอะไรอะ่ะสังคมจะสูญเสียอะไรก็ไม่คิดอยากจะดูความผิบัติตอยาอย่าดูความผิบัติของบุคคลอื่นเพราะมันมีวิหิงสาวิตกอยู่ภายในใจแต่ถ้ากับคนที่เราเมตตากรุณาไม่ใช่กับคนที่เราเมตตานะเราจะเกิดกรุณาเอาคล้ายๆกันเนี่ยคล้ๆกับลูกของเราหกลม้มกับลูกของคนที่เราเปรียดหกล้มเนี่ย ก็จะรู้สึกต่างกันเอย่างไรลกที่ลูกของเราหกล้มจะวิ่งไปด้วยความตกใจรีบประคองไปลูกคนที่เราไม่ชอบหกล้มเนี่ยรู้สึกสะใจลึกๆนะรู้สึกสะใจลึกๆคือนึกหมันไส่พ่อแม่เขาที่ไม่ถ่กกับเรานั่นคือลักษณะของวิหิงสาที่มันออกมาในกรณี น, นี้ที่จริงควรจะเมตานะควรจะกรุณาต่อเด็กก็ลูกหลานนะเด็กรุ่นลูกหลานแค่หกล้ม แต่ว่าใจมันน้่ไปเพราะว่ามันไม่มีเมตตามันมีพยาบาทอยู่กรุณาเลยเกิดไม่ได้กรุณานเกิดไม่ได้ก็กลายเป็นผีหิงสาเกิดความคิดเบียดเบียนซ้ําเติมนะน้อยไปบางคนจะเจ็บกว่ามากกว่านั้นเป็นต้นนะฮะบางคนอาจจะพูดเลยนะถ้าพูดเลยก็แย่มากนะฮะแต่บางคนก็อาจจะคิดทั้ความคิดก็แสดงว่าจิตใจมันมากไปผีหิงสาวทุกแล้วทีนี้ ในคนที่เราการุณานั่นเองจะลืมาธรรมะเนี่ยก็จะต้องมีปัญญาเข้ากำกับคือสติปัญญาเนี่ยก็จะอยู่ทุกแข่งสติปัญญาความเพียรนีะสามอย่างนียก็จะอยู่ทุกแข่ง เ, เราปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามเนื่องจากในความการุณาหรือแม้แต่ในความเมตตาเองอ เ, เมตตาที่เป็นค่าศึกตรงข้ามจริงๆก็คือกิเลสประเภทโทสะนะ อาจจะเป็นโทสะอาจจะเป็นอาฆาตพยาบาทได้ไรั้งเนี่ยแล้วแต่แต่มันมีค่าสึกใกรซึ่งยากจะแยกออกก็เรียกว่าการมราคคือความกำหนัดในทางเพศความต้องการในทางเพศส่วนมากจะ น, นิยมชมชอบความสวยงามรูปสวยเสียงไพเราะกลิน่นหอมๆอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสหนาจานับหนาต้องมันเป็นการมราคามีลักษณะคล้ายๆกันฮะ ทนุถนอมอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลคล้ายๆกันแต่ว่าจุดต่างเนี่ยคือว่าการมาราคะนั้นเขาต้องตอบสนองความต้องการของเราถ้าไม่งั้นจะเกิดโทสะอันนี้คือจุดต่างแต่มเมตตาเนี่ยถ้าเราเมตตาเขาแล้วเขาไม่เป็นไปตาตมที่เราเมตตาเราจะเป็นอุเบกขาคือจะมองในแง่ของกรรมมาเรามุ่งอภิบาลเขาเรามุ่งที่จะให้เกิดสิ่งดีงามแก่เขาเราไม่ต้องการอะไรอ่ะ ซึ่งมันผิดกับกรรมราคั์กรรมราคะมันมุ่งตอบสนองความต้องการของเราเขาต้องตอบสนองความต้องการของเราถ้าไม่ตอบสนองก็จะเกิดโศกตรงนี้เลยกลาเป็นปราสาทเป็นเรือนใจใจมันจะทำหน้าที่เป็นรังสีธรรมะมันจะเป็นรังสีคือขจัดขจัดทั้งตัวตัวไกลและตัวใกล้นะตัวใกล้นี่ดูยากตัวไกลนี่มันดูง่าย ก็ตรงกันข้ามจริงๆเนี่ยดูง่ายกรุณาเนี่ยตรงกันข้ามเขาก็คือวิ่งสาคือเบียดเปลี่ยนแต่ตัวใกล้นี่คือโสกะคือความโศกเขาลองสังเกตว่ า, เ, าเช่นมีการแสดงเมืไรจะหนังทุ ง, นงนหนังจินอะไรจะไรรบกันอุดตลุดไปเลยนะฮะรบกันอุดตลุดไปเลยนะแล้วพอฝ่ายของตัวเองเกิดต้องเอาบุตรเกิดล้มลงมายังไม่ตายแล้ววิ่งกลัวก็ไปลอ้อมเนี่ยจริงๆเนี่ยทำได้หรือเปล่า ในสถานการณ์ที่กำลังรบฟันกันุดตลุดอย่างนี้ทำได้หรืพแต่มันทำไม่ได้ล่ะทำก็ตายอ่ะฮะไขว่ตรงกันข้ามแทงข้างหลังตายหมดอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาการของของกิเลสมันเลยก็มีโมหะอยู่คือไม่ได้นึกถึงเหตุถึงผลว่าสถานการณ์อย่างนั้นไปทำอย่างนั้นได้หรือมันทำไม่ได้จะเคลียร์พื้นที่เคลียร์คนอะไรแจะเคลียร์กันที่หลังตอนรบก็คือรบกัน คือไม่นั่งหันหลังให้เขาอย่างนั้นก็เสร็จนี่ก็คือคืออาการเราเห็นว่ามันเป็นโศกาจเหตุอะไตรงนั้นเนี่ยเป็นโศกะแต่ถ้าการุณาเนี่ยไม่ใช่การุณาเขาจะไม่ทำอย่างนั้นมันถึงจุดหนึ่งมันนอกวิสัยแล้วมันจะเกิดเป็นอุเบกขาแล้วก็เวลาไม่ให้เวลาจะช่วยตรงนั้นไปดูแลยังไม่ได้นะ่ะทำอย่างไรยังไม่ได้ มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ไปก่นอนบรญญาก็ต้องเข้ากำกับทีนี้ถ้าคนที่เราเมตตาเนี่ยเขาประสบความสมําเร็จในลาบในยศในสุขในสันเสริญในแต่าใดก็ตามเราจะเกิดมุทิตาคือเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่เราต้องเมตตาเขานะฮะถ้าเราไม่เมตตาเขาจะเกิดทิสยาแหละเห็นเขาได้ดีไม่ได้ก็ทนอยู่ไม่ได้ ทีนี้ไอตัวริษยาเนี่ยมันค่อนข้างเห็นได้ง่ายแล้วก็คนก็แยกไม่อแยกออกชัดเจนนะวันนี้มันเป็นอาการของฤๅษียาแต่ว่ามีค่าสึกใครชิดอย่างหนึ่งคือเขาเรียกอุนยะคือต้องการได้มีส่วนแบ่งส่วนร่วมเดี๋ยวเขาถูกหวยเราก็แสดงความยิน ด, ดีกับเขาโดยขอเขาเลี้ยงอะไรเนี่ยหรือขอแบ่งเราไม่ถึงเราขอเงินทั้งหมดเราขอแบ่ง ขอมีส่วนแบง่งแต่ลักษณะเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่ามุติตาเนี่ยมันเกิดยากเพราะว่าเบื้องลึกของจิตใจเนี่ยมันมีความหวังลึกๆอยู่นะแม้แต่จะไปงานศพเนี่ยเราจะเห็นว่าหวังลึกๆว่าคงมีของแจกไปแต่งงานหรือที่จริงเด็กๆนะแต่งงานเนี่ยน่า่ะน่าจะให้เขาแต่เราก็ลึกๆอยู่ว่าน่าจะมีของชมรวยแล้วก็มีการเลี้ยงอาหาร เคยเคยตั้งข้อสังเกตนะเคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยบอกว่าทําไมไม่เปลี่ยนละ่ะเรเพณีการแต่งงานอย่างชาวชนบทซึ่งฐานะไม่ค่อยดีอยู่แล้ว่นะแต่งงานทีหนึ่งบางทีเนี่ยเยจ้าสาวมีลูกแล้วหนี้สินยังไม่หมดเลยถามว่าทำไมอยากกินของของลูกหลานนักละ่ะเพราะลูกหลานแต่งงานเนี่ยถ้าผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันให้เงินแก ตามกำลังความสามารถนะนะเป็นเงินก่อนหนึ่งเพื่อเธอตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานถ้าเราทำอย่างนี้มันมุติตาจริงแต่มุติตาที่เราแสดงเนี่ยมันต้องการให้เขากินเลี้ยงต้องการมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมมีประโยชน์จากการแต่งงานซึ่งที่จริงก็เด็กนะลูกหลานแต่งงานเนี่ยสังคมน่าจะคิดกันใหม่ปฏิรูปสยบัง้งเดี๋ยวปฏิรูปในเรื่องอื่นนะคือเรื่อง เรื่องงานสังคมภาษีสังคมสามเรื่องเนี่ยเราปฏิรูปได้นะเรื่องแต่งงานเรื่องบวชนาคเรื่องงานศพปฏิรูปสักบ้างเ้วจะประหยัดประโยชน์เยอะเลยเช่นสมมติว่างานบวชนาคเนี่ยเอาแหละจากนโมทนาอะไรก่อนโมธนาไปแต่ว่าลูกหลานเราเข้าไปรักษาศีลเป็นพระตั้งสองรอยยี่สิบเจดข้อเนี่ยเราเอาห้าข้อเลย ตลอดระยะเวลาที่ลูกหลานบวชอยู่ในเรารักษาศีลด้วยเอาข้าว ข, ข้อให้ได้มันจะช่วยอะไรดีกันเยอะนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีลูกหลานบวชกันทุกปีก็รักษาศีนกันแต่ก็ไม่สิ้นเปลืองเงินทองอะไรท่าไร่แล้วงานศพก็เหมือนกันนะนะะงานศพก็เหมือนกันคือไปช่วยเหลือเขาก็ไม่น่าจะไปตั้งความหวังไปกินอะไรที่กินเกินไปอ่ะนะะ ราสวดสามเตียงสามสามครั้งนะสามเตียงก็ยางสามเตียงอนยะ่พอถึงชุดที่สามจังหวะที่สี่นะฮะจะขึ้นที่สี่เนี่ยต้องหยุดได้โยงกินข้าวต้งก่อนหิวมาจากไหนทำไมไปต้องกินเร็วอย่างนั้นก็ไม่รู้อันนี้ก็คืออะไรก็คือความรู้สึกมันไม่มุติตาจริง หรือไม่ร่วมทุกข์ร่มสุขจริงแต่ว่าต้องการจะมีผลประโยชน์คือแบ่งผลประโยชน์เหล่านั้นทีนี้ในกรณีของมุติตาเนี่ยหมายความถ้าเราชื่นชมยินดีไปแล้วเราก็หมดนาทีมันทำอะไรไม่ได้เขาประสบความสาเร็จไปแล้วเขาหอเขา อ, อ, อยู่มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็กลับบ้านก็อยู่ด้วยเบียขาอุเบีขาก็เป็นธรรมะที่ปฏิบัติยาก แตะตามปกติแล้วเราจะมองคนอื่นด้วยความรักความชังเป็นเราเป็นเขานะด้วยความรักความชังถ้าแต่ถ้าเราเริ่มมาที่เมตตาเนี่ยเราจะเดินได้เพราะว่าตัวเบี้ขาตั้นตัวยุติธรรมมันมีการกระทําเป็นนันมากที่เราไปทำอะไรไม่ได้นะเช่นคนที่เราเมตตา เราประสบปัญหาเรากรุณาเขาพอเขาประสบความสาเร็จเราก็มุติตากกบเขาพอดีเขาเกิดรู้อำนาจแกะโทสะไปฆ่าคนตายอย่างเงี้ยถามว่าทำยังไงได้เมตตก็ไม่ได้ก็แสดงให้เขามีความสุขความเจริญก็ไม่ได้จะช่วยเขาหลุดพ้นจะติดคุกก็ไม่ได้นะจะแสดงความยินดีที่เขาติดคุกก็ทำไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาคือมองในแง่ของกฎขั้กรหน ตามที่สรงสอในให้พิจารณานะว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ก็เป็นภิวิหารวิหารก็คือเรือนที่อยู่เป็นเรือนใจแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยมันก็คือเรื่องมีความยินดียินร้ายนะครเป็นอุปสรรค ด้านหนึ่งแล้วคืออาคาติอาคาติเป็นปัญหาภูเขาเลยคือจะลำเอียงจะลำเอียงเพราะรักใครกันบ้างนะเพราะคือรักใครยังไงก็ตามนะถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกที น, นี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมะมไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกฎกติกาสังคมที่อารมณ์ก็ค่อนข้างจะพิกลนะนะ เช่นการตรวจสอบทรัพย์สินของคน ท, ที่เป็นนักการเมืองนะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดรายได้ราจ่ายก่อนในข้ามาังหวอะไรกันนักหนาเรารับประ ก, กันความสวัสดิภาพทางทรัพย์สินก็ได้เลยพอแจ้งไวเปิดเผยเขาไปติดหลาเข้าไปคนไม่รู้หมดเลยทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ที่ไหนก็ไปปล้นไปจี้แล้วทำยังไง มันมั น, ม, น, ม, นมันมองด้านเดียวนะฮะคือไม่ได้มองด้านสวัสดิภาพของบุคคลอื่นอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเขาแต่ตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเขามันเรื่องของเขาสิไปตรวจสอบอะไรเ่าว่าถ้าตรวจสอบแล้วก็ไม่เอาเปิดเผยเป็นที่สาธารณะอย่างเปิดฟังได้นะฮะแต่ยังนึกไม่ออกอ ว, วิธีการเหล่าเนี้ยมันไปล่วงลำ้กำก่อเกินมากเกินไป และมันไม่ใช่เรื่องชั่วอะไรคือเรากําหนดให้มันชั่วเฉยๆนอกจากว่าเขาชั่โกงทุจริตมาถ้าโกงทุจริตมาก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งสมมติเราพขตรวจสอบแล้วทุรวจทริตเนี่ยเขาก็ตรวจตรวจไม่เจออยู่นั่นแหละ ก, ก็มีวิธีการเนี่ยเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นกติกาสังคมที่มนุษย์ซึ่งมีริษยาเบียดเบียนกันเนี่ยสร้างขึ้นมันไม่ใช่ความยุติธรรมอะไรเลยอ่ะ แต่ว่าเป็นการแสดงอำนาจนิยมแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของบุคคลอื่นที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยทรัพย์สินือเนี่ยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆและอะไรเนี่ยในแง่ความจริงเราปฏิบัติได้เลยบอกคลังอาวุธทั้งหมดของราชการได้ทั้งหมดหรือเปล่าอะไรฝึกปลือกันที่ไหนบอกได้หมดไ มันไม่มีเหตุผลอะไรมีเยอะนะที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยแล้วมันจะไม่ยุติธรรมรสนการอุเบกขาคือการใช้ปัญญาพิจารณาไม่ใช่ความยินดียินได้ไม่ใช่ความยินดียินได้ไ ม, า ม, ดไดมาเป็นหลักแต่ว่าจะหายุติธรรมเท็จธรรมแล้วความเป็นดับมไอ้นี่ก็คือก็คือประสานะคือเรือนนะฮะคือเรือนใจก็เหมือนกับที่อยู่อาศัยของใจก็จะมีความสุขความสงบต้องฝันแต่ไหน